ปโนติปตาเวระมโนยอัดินนาดนาเวระมโนยอัดบรัชมาจาริยาเวระมโนยมุสาวดาเวระมนนยสุราเมรยาแมจพมัดถานาเวระมนนย วิการละโหรนาเวระมโนยนัจจีตวัดิตาบิสุัสนาเวระมนยมาลากันทะวิเลปนาธาระนวันนาิภูสนัทานาเวระมนนย อุจจะสยนมหสยนาเวรกมโนยจัตตารูปะรัจจตาปัตเมกขะหนเวรัมนยอิมานิดัศสิกาปานิสมาดิยามิ